ทีนี้ต่อไปปัญญาที่กำหนดนะย่อมปัญญาที่เป็นไปในปฏิจจสมุปบาทมากปัญญาที่เป็นไปกับอวิชชาอาวิชชาเกิืร่วมกับจิตได้กี่ดวงอวิชชาได้แก่โมหะเจตสิกเกลืร่วมกับอกุศลจิตทั้ง12บองดวงนะสังขารได้แก่เจตนาเท่าไร่29 วิญญาณได้แก่วิญญาณ32โลกิยะวิญญาณ3 2มนามรูปนามได้แก่เจตสิกที่ประกอบกับวิญญาณรูปได้แก่กรรมัชรูปวิญญาณนามรูปสลายยตนาได้แก่อายตนะทั้งหลายมีจักขายตนะเป็นต้นนะยตนะภายในภายนอกด้วยนะอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภาษาภาษามีเท่าไหร่ภาษา6กภาษาแล้วก็เกิด เวทนาเวทนาหกเวทนาและเกิดตัณหาหกตัณหาหกทาให้เกิดเวทนาหก็เกิดตัณหาหกตัณหาหกทำให้เกิดอุปาทานสี่อุปาทานสี่ทำให้เกิดภพสองกรรมะกรภพกับอุปาติภพภพทําให้เกิดชาติชาติชาติชาติาตาตเสร็จก็ใกล้ใเกือบเกือบจุดตินั่นแหละต่อไปก็เกิดแล้วก็ตาย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 นี่ก็เป็นสุญญตาอย่างหนึ่งเกณสุนิวโตโลโกงั้นนะในความว่างเหล่านี้นั้นนะตาก็ว่างสีก็ว่างจะมูกก็ว่างเกลิ่นก็ว่างกายก็ว่างคำา่าว่างในที่นี้ก็คือไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่แต่ว่างจากความว่างจากอัตตาว่างจากผู้สร้างว่างจากผู้เสวยนะแต่สิ่งนั้นมีอยู่ แต่จะว่าไม่มีไม่ได้นะตาก็มีอยู่สีก็มีอยู่จิตเห็นก็มีอยู่แต่ว่างจากสัตว์บุคคลว่างจากความเที่ยงว่างจากแก่นสารแล้วก็ปัญญาหนาก็คือเป็นไปในอัฏฐะต่างๆมากอัฏฐะมีห้าอย่างนะท้รู้ทันจมูกเป็นคันธธาตถ้าแสบตาเป็นโพธภาษธาตุนะควันนะถ้าแสบตาเป็นโพธภาษธาตุ ถ้าได้กลิ่นเป็นคันธทาศในในกลิ่นมีรูปเท่าไหร่ถ้ากลิ่นโท่มีรูปเท่าไหรเนี่ยนะมีรูปแปดรูปวินิโพค ร, รูปแปดลองไล่ไล่ดูนะว่ามันขนาดไหนต่อไปนะในอาาัฐาอัฐามีห้าอย่างนะคือในผลที่เกิดจากปัจจัยในนิพพานอะไรอีก ปิริยาวิบากและก็เนื้อความแห่งพาสิทธ่เรียกว่าอัฏฐะธรรมะได้แก่ปัจจัยอริยมรรคกุศลอกุศลและพาสิทนะทเรียกว่าธรรมะอันปัญญาที่หนาก็คือไปรู้อัฏฐต่างๆได้มากในธรรมะทั้งหลายได้มากในนิรุตติมากสมมติถ้าอัฏฐะหธรรมะหนิรุตติก็ต้องส0บปฏิพานก็ต้อง20นั่นแหละนะคือถ้าอัฏฐะห้า 5, ธรรมะห้า นิรุติก็คือยานในการแสดงทั้งอัฏฐธรรมะใช่ไหมแสดงในอัฏฐห้าแสดงในธรรมะห้าก็เป็นนิรุติสิบทีนี้ปฏิพานก็คือปัญญาที่ไปรู้อัถฐไปรู้ธรรมะรู้นิรุติก็เลยเป็นปฏิพานยี่สิบนะถ้ามีใครมีโอกาสก็ไปอ่านในปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิธรรมะและในหัวข้อว่าด้วยปฏิสัมพิทาในนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องปฏิสัมพิทาเยอะ ถ้าใครอยากแตกฉานนะเพราะว่าคําว่ า, าตรงนี้เนี่ยกล่าวในเรื่องของปฏิสัมพิธาแปลว่าปัญญาแตกฉานปฏิพานา ป, ป, ปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานแตกฉานในธรรมะสี่อย่างคืออัฏฐธรรมะนิรุตและปฏิพานทีนี้ปัญญามากก็คือสา ม, มารถที่จะเป็นไปในศีลขันต่างๆมากในสมาธิมากในปัญญามากวิมุตติมากวิมุตติญาณทัศนขันต่างๆมาก และในฐานะอาฐานะในวิหารสมาบัติต่างๆมากในอริยศาสตร์มากในสติปัฏฐานมากในสัมมปัฏฐานมากในอิทิบาตทั้งหลายในอินทรีย์ทั้งหลายในพระละทั้งหลายในโพชฌงทั้งหลายในอริยมรรคต่างๆมากในสามัญญผลในอภิญยาและในพระนิพพานอันเป็นประมัติล่วงธรรมะสาธารณะแก่ปุตุชนนะพระองค์มีปัญญาหนาอย่างนี้แหละโอ้รู้เยอะจริงๆเลยนะแต่เราฟังชื่อยังก็ยังยากเลยนะ แต่ถ้าฟังบ่อยๆนะเดี๋ยวก็ไม่ยากของธรรมายังจําได้เลยเนาะถ้ายอมฟังบ่อยๆก็จําได้เหมือนกันทีนี้ต่อไปนะทาสะปัญญาก็คือเหมือนกับธาตุปัญญานั่นแหละแต่ทาสศเหมือนกับเขียนเหมือนเหมือนเขียนคําว่าธาตุแต่ทาะตรงนี้แปลว่ารื่นเริองอ่าพอพระพุทธเจ้ามีปัญญารื่นเริง ภาษาปัญญาก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นไปเป็นผู้มากด้วยความรื่นเริงมากด้วยเวทเวทก็คือความรู้เวทานาเนีเวทะแปลว่าความรู้มากด้วยความยินดีมากด้วยความบันเทิงย่อมบำเพ็ญศีลบริบูรณ์นะบันเทิงเละเกินในขณะที่บำเพ็ญศีลบำเพ็ญอินทรีย์สังวรบำเพนะ็ญโภชเนมตันญูรู้ประมาณในโภชนะ ยกโภชนะมาเป็นตัวอย่างก็คือรู้ประมาณในปัจใจสี่นั่นแหละแปลว่ารู้ประมาณในการสแสวงหารู้ประมาณในการรับรู้ประมาณในการบริโภคชาคริยานุยโยกก็คือปฏิบัติธรรมะเป็นเครื่องตื่นตื่นจากตื่นจากอะไรตื่นจากอวรนั้นตรงๆเลยก็คือตื่นจากนิวรณ์ห้า แสดงว่าขณะไหนที่เกิดตื่นอไม่หลับนะแต่นีวอร์เกิดขึ้นขณนะนั้นชื่อว่าหลับวันนี้ตื่นมากเลยหลับมากหลับมากเลยนะนี้เออตื่นได้นะตอนนี้ยฟังธรรมก็ตื่นนะนี่วอร์ไม่เล่นงานก็ตื่นแล้วต่อไปในรื่อเริงในเรื่องของศีลขันใช่ไหมสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันมิมุติญาณทัศนะขันให้บริบูรณ์ บุคคลเป็นผู้มากด้วยความรื่นเริงมากด้วยเวทมากด้วยความยินดีมากด้วยความบันเทิงย่อมแทงตลอดฐานะอาถรณะบุคคลผู้มากด้วยความรื่นเริงย่อมบำเพ็ญวิหารสมาบัติให้บริบูรณ์บุคคลมากด้วยความรื่นเริงย่อมแทงตลอดอริยศั์บุคคลย่อมเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชชงอริยมักบุคคลผู้มากด้วยความรื่นเริงย่อมทําให้แจ้งซึ่งสามัญญผล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 นะยังกินจิตสมุทยาธรรมะอ่าสมุทยะแปลว่าการเกิดขึ้นธรรมะก็คือธรรมะยังกินจิตสมุทยาธรร ม, มังอ่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมะตัวนั้นแปลว่าธรรมดานะยังกินจิตสมุทยาธรร ม, มังสัพพันธังนิโรธาธรรมังสัพพันธังก็คือทั้งหมดเหล่านั้นอ่ะล้วนแต่นิโรธะแปลว่าดับไป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 รูปประคันเกิดเกิดขึ้นด้วยอาการเท่าไหร่เสื่อมเสื่อมด้วยอาการเท่าไหร่รูปประคันเกิดขึ้นด้วยอาการห้าเสื่อมด้วยอาการห้านะเวทนาก็เกิดห้าเสื่อมห้าเพราะฉะนั้นนี่ฝ่ายเกิดยี่ห้าฝ่ายเสื่อมยี่สิบห้าทั้งเกิดทั้งเสื่อมเลยเป็นห้าสิบในขอุทยพย า, ยานห้าสิบอะเคได้ยิ น, นะ น, นไหมแล้วละถามว่าอะไรถ้าห้านี่มีอะไรบ้างอะ ถ้ามีถ้ารูปประคันเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดนะแล้วอาหารเกิดรูปจึงเกิดสุดท้ายและนิพพติลัคณะคือลักษณะที่เกิดของของรูปนั่นแหละห้าอย่างนี้นะอวิชาตัณหากรรม อาหารและนิพพติลักษณะห้าอย่างนี้เรียกว่าการเกิดห้าตรงนี้จะต่างจากในปั จ, จยภปริฆหายานตรงนี้เนี่ยเป็นภูมิของอุทยพยายานถ้าในปั จ, จยปริฆหายานเนี่ยนะตันห า, าวิชาอุปาทานเหมือนแม่กรรมเหมือนพ่ออาหารเหมือนพี่เลี้ยงที่ทําให้รูปประคันเกิดแต่ตรงนี้ต่างกันนิดหน่อยนะตรงนี้บอกว่าอาวิชาตันหากรรม อาหารและความเกิดขึ้นของรูปเรียกว่านิพพติลักษณะอันนี้คือว่ารูปประคันจะเกิดเกิดด้วยอาการ5นี้ถ้ารูปประคันจะเสื่อมก็เสื่อมด้วยอาการ5เพราะอาวิชาเสื่อมรูปเจึงเสื่อมตันหาเพราะตันหาเสื่อมรูปเจึงเสื่อมเพราะกรรมเสื่อมรูปเจึงเสื่อมเพราะอาหารเสื่อมรูรูปเจึงเสื่อมและวิปริณามลักษณะคือลักษณะที่ที่เสื่อมของรูปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นรูปประคันจะเสื่อมเสื่อมด้วยอาการ5นะเกิด5เสื่อม5นี่คือความเกิดเสื่อมอันอุทัยพยยานเห็นเห็นเกิดเนี่ยเห็นรูปประคันเกิดด้วยอาการ5เสื่อมด้วยอาการ5 น, นะไม่ใช่อุปาทิฏติพังคันะบอกว่าเกิดดับนี่เห็นอุปาทิฏติพังคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเพราะจะต้องอุอทัยพัยายานนั้นจะต้องอนุวัตตามพวกสัมมสนญาณต้องอนุวัตตามปัจจะปริคหายานนั่นแหละ พันยามที่จะเห็นความเกิดความดับนั้นคนนั้นจะต้องตีระปริญญานี่ดีมากนะตีรณะปริญญาจะดีได้ก็ต้องอาศัยอะไรยาตะปริญญาเพราะาเรื่องปัจจัยนี้เป็นเรื่องที่แตกฉานละเอียดละออมมากนั่นแหละ เ, เวทนาขันเกิดด้วยการ5คืออวิชชาตันหากรรมภาษาภาษาแล้วสุดท้ายก็คือนิพพติลักษณะคือลักษณะที่เกิดนะ Uh, เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเนี่ยใส่เข้ามาคำว่าผัสสะแทนอาหารนะแทนตรงนั้นนิดหน่อยคือส่วนวิญญาณวิญญาณนั้นเปลี่ยนเป็นนามรูปนะเปลี่ยนเป็นนามรูปเท่านั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรพิเศษ น, นะ ถ้ารูปประคันนี้อาหารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผัสสะส่วนวิญญาณ น, นั้นได้แก่นามรูปส่วนอวิชาตันหากรรมและนิพพัติลักษณะนะฝ่ายเกิดนี่เรียกว่านิพพัติลักษณะส่วนฝ่ายเสื่อมเรียกว่าวิปริณามลักษณะนะผู้ที่สามารถที่จะยังเห็นความเกิดเละกความเสื่อมอันนี้ได้คนนั้นเจริญธรร ม, มานุ ป, ปัสนาประเภทขันธะนะ เคยได้ยินได้ไหม uh. พิสูจน์ข้ออื่น i, ยังมีอีกพิสูจน์ในธรรมนิยนต์นี้ย่อมพิจารณาเห็นอุปาทานขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและแวิญญาณวันนี้รูปขันนี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความเสื่อมไปแห่งรูปนี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความเสื่อมไปแห่งเวทนานี้ความเกิดขึ้นนี้สัญญานี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้ความเสื่อมไปแห่งสัญญา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 เพราะว่าแม้จะเอาเกิดเสื่อมเลยไม่รู้จักกรรมนี่ก็ลาบากเหมือนกันนะต้องรู้ว่าอาวิชชานี่มันทำให้ขันเกิดได้อย่างไรนะก็เป็นข้อที่จะคิดต่อไปว่าเออตัณหาเป็นเป็นเหตุให้รูปขันเกิดได้อย่างไรกรรมเป็นเหตุให้รูปขันเกิดได้อย่างไรใช่ไหมอาหารเป็นเหตุให้รูปขันเกิดได้อย่างไรลักษณะที่เกิดของรูปขันมีกี่อย่างนะ รูปประคันโดยเกิดเกิดนะเกิดโดยอัตพาโดยสันตติและโดยขณะนั่นแหละต้องไปศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งเฉะั้นความรู้อันนี้เนี่ยต้องพอกพูนให้มากๆานั้นถ้าพอกพูนความรู้อันนี้มากๆากเรียคนมีปัญญาหนาอาวิชชาตันหากรรมนามรูปและก็นิพพตินิพพติลักษณ ะ, ษณะนิพพติลักษณะ จอาจารย์ข้าข อ, ขออีกนิดเดียวค่ะนี่พัตตีนี่แปลว่าอะไรคะนี่พัตตีปแปลว่าการเกิดขึ้นขอเท่านั้นเอง่่ะะอขบคคุณคะนะจะไปดูได้ในเล่ม68อุทยพยานนิเทศในเล่ม68นะอะไรผู้ที่ไม่มีเลยนะผู้ที่ไม่มีก็เยอะนะคะมีก็ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้ น, นะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วนะท้ายที่สุดนี้เความสวัสดีตรงนี้แก่ท่านทั้งหลาย